ปัยญาคัมภีร์มหาปาญโดยอาจารย์สุเทพโพจัต tha พระคุณชาติที่เคารพท่านสาธุชนทั้งหลายการปัญยายในลําดับครั้งต่อไปนี้คือในสองสัปดาห์แรกของเดือนนี้แล้วก็อีสิดาของเดือนถัดไปจะได้นํำมาเรื่องของหลักวิชาการบริสุทธิ์ที่นับว่าสุดยอดในทางพระพิธรรมหรือในทางพระไตรปิฎกฤฤก็ว่าได้มาอธิบายให้ฟังถ้าเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคัมภีร์มหาปฐฐานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ <c oughs> ชาวพุทธและอรรรัตถกาเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ <c oughs> เสื่อมไปก่อนเมื่อพระไตรปิฎกทั้งหลายจํานวนสี่พันเล่มเสื่อมนั้นพระไตรปิฎกหกเล่มสุดท้ายจะเสื่อมก่อนพระไตรปิฎกหกเล่มสุดท้ายนั้นเป็นพระไตรปิฎกหกเล่มที่สแสดงเนื้อความของคำภีรมหาปัฐฐานซึ่งถือว่าจะเสื่อมก่อนเพราะเหตุนั้นชาวพุทธในประเทศพามา่าจึงนิยมสวดมนต์มนหนึ่งที่เรียกว่ามนมหาปัฐฐานนิยมสวดกันโดยทั่วไป แต่ชาวบ้านที่ไม่ค่อยจะรู้ศาสนามากนักก็มักจะสวดมหาปัญฐานได้เหมือนกับที่เรานิยมสวดมนต์มนที่เรานิยมสวดนั้นค่อนข้า ง, งจะเป็นมนต์นอกพระไตรปิฎกเช่นมนต์มนต์หนึ่งที่เรานิยมสวดในปัจจุบันคื อ, อชินนบัญชรกรถาซึ่งเป็นเรื่องนอกพระไตรปิฎกและถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลายชื่อพระพุทธกับพระสงฆ์ พระพุทธหลายพระองค์แล้วก็พระสงฆ์องค์สำคัญในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเท่า น, นั้นน ะ, ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลักการแต่มหาประธา น, น่ะเกี่ยวกับหลักการใครที่ไปนั่งชเวดะกงก็จะได้ยินว่าในมนฑ์ที่ชาวพมา่ามานั่งสวดเนี่ยแล้วก็จะได้ยินบ่อยๆนะก็คือส่วนมหาประธานถ้าเรารู้เรื่อง มาหาประธานเราก็จะฟังรู้ว่าเขาสวดเรื่องราวเหล่านี้แต่มาหาประธานนั้นมีเนื้อความเลือกได้ว่ามากที่สุดในพระพิธีธรรม7คัมภีร์เนี่ยคัมภีร์ที่มีเนื้อความมากที่สุดกินพระเดชบิดกถึง6เล่มดังกล่าวก็คือคัมภีร์มาประธานนอกนั้นแล้วก็มีอย่างรองลงมา ก, ก็พระเดชบิดกของเล่มคือคัมภีร์ยมโลเล่มที่3ามสี่แปดส่าถึงสีนั้นเป็นมาประธานแล้วก็นอกนั้นก็จะครอบคลุมพระเดชปิดกเพียงเล่มเดียวเกือบทั้งหมดนะมีอยู่2คัมภีร์เท่านั้นที่ ในเล่มเดียวกันคือคำพีที่4ปุคละบัญญัติกับคำภีร์ที่3สามภีร์ภาตุกถาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่จะต้องนับว่าเป็นเบื้องต้นที่จะต้องกล่าวกันก่อนในเอกสารสองชุดที่แจกให้นนะะชุดหนึ่งนั้นเป็นลำดับชื่อและคําแปลของปัจจัยยีส่สี่ที่พระท่านสวดไว้ใตูปั จ, จโยนะครับเวลาเราไปงานสวดศพเนี่ยพระ ที่สวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีในงานสวดศพนั้นท่านจะสวดแต่เฉพาะชื่อปัจจัยชื่อปัจจัยตามที่อยู่ในเอกสาร ช, ชุดชุดหลังที่คือหัวข้อว่าปัจจัยยี่สี่เหตุถูกปัจโยรมะนปัจจโยจนกระทั่งถึงอวิคตาปัจโยท่านจะสวดแค่นี้เท่านั้นก็สรุปว่าเราไปฟังพระสวดในงานศพพอถึงคมภีร์ที่เจ็ดนั้นท่านจะสวดแต่ชื่อปัจจัยแล้วก็ไม่ได้แปลหรอกครับเราก็ฟังไม่รู้เรื่องครับ ปัจจัย24นั่นนะเรียกว่าเป็นเป็นปัจจัยโดยย่อคือจําแนกประเภทโดยย่ออาจจะจําแนกโดยพิสดารแล้วไอพิสดารก็ไม่ได้มาจากไหนนะครับก็มาจากในเนื้อหาเท่าเดิมนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าปัจจัย24นั้นได้ถูกจําแนกออกมาเป็นสาขาบางปัจจัยนั้นครอบคลุม ลักษณะของปัจจัยถึงสามสาขาก็เลยถูกแยกออกเป็นสามปัจจัยย่อยอถ้าท่านพลิกไปดูหน้าสองของเอกสารชุดหลังเนี่ยนะที่ขึ้นหัวข้อปัจจัยยิบปัจจัยห้าสิบหรือห้าสิบสองอันนี้ผมจะให้ท่านดูโดยเข้าเคล้อย่างไม่อธิบายเนื้อในของปัจจัยปัจจัยห้าสิบหรือห้าสิบสองนี้ก็มาจากปัจจัยยี่สิบสี่นั่นแหละ กล่าวคือใช่ทั้งเกตดูปัจจัยที่สามที่4ี่ที่ห้าก็มาจากอธิฏฐิปัจจัยคือปัจจัยที่ที่สาของปัจจัยยี่สี่เพราะอธิฏติเนี่ยแบ่งเป็นสหชาตารถิปติอรรมนาธิปติวัฏฐานรมนาอวัฏารมนาปุเรชาติถิปติปัจจัยที่แบ่งเป็นสามอันนี้ความหมายท่านยังไม่ต้องรู้และนิสยปัจจัยก็แบ่งเป็นสามอีกครับนะซึ่งก็จะเห็นว่าปัจจัยทั้งหลายเนี่ยครับ ที่แบ่งเป็น50หรือ52นั้นเนื้อหาเท่าเดิมเนื้อหาเท่าเดิมคือเท่ากับยี่ปัจจัยนั่นแหละการจะพูดได้ว่าเป็นาการจำแนกปัจจัยย4บางปัจจัยออกมาเป็นรายละเอียดไม่ให้แค่ขาดจากกันนะให้ขาดจากกันก็เลยกลายเป็นปัจจัย1เป็นสปัจจัยหนึ่งเป็นสแล้วก็แยกออกไปเป็นพิศดานถึง52ิปัจจัย นี่เป็นเป็นจำนวนของปัจจัยที่พูดใน้ฟังเนี่ยเพียงแต่ให้เห็นว่าออลักษณะของปัจจัยนี้ท่านได้แสดงออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้และในปัจจัยยี่สิบสี่หรือห้าสิบสองเนี่ยจะมีจุดสรุปอันหนึ่งที่ถ้าเราจะอธิบายกันอย่าง ฟังกันได้โดยทั่วไปแล้วก็ครอบคลุมได้ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ซับซ้อนมากนักเนีน่ยก็คือในหน้าแรกของเอกสารชุดที่กำลังใช้ถืออยู่เนี่ยนะที่ขึ้นหัวประเด็นว่าชาติของปัจจัยคำว่าชาติของปัจจัยนี้ถ้าเราพูดเทียบกับมนุษยชาติหรือเป็นสำนวนที่เราไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทางพึกษศาสตร์ เราจะแบ่งพืชเนวเป็นตระกูลแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆเป็นลักษณะตระกูลเหมือนกันว่าพืชใดที่มีลักษณะหลักใหญ่บางอย่างคล้ายกันเราก็เรียกพืชนั้นว่าเป็นตระกูลนั้นเช่นตระกูลถั่วเป็นต้นปัจจัยทั้ง52นี้ก็เหมือนกัน แม้ว่ารายละเอียดบางอย่างจะต่างกันแต่ว่าเมื่อแบ่งโดยตระกูลของปัจจัยที่ภาษาบาลีท่านใช้คว่าชาติชาติในความหมายนี้หมายถึงตระกูลนะสะกุลนะหรือกุลละในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นการให้ความหมายของคําว่าชาติในทางศัพท์บาลีเนี่ยอย่างหนึ่งท่านจึงบอกว่าชาติหมายถึงกุลละกุลละคือสกุลนั่นเองดังนั้นชาติของปัจจัยจึงหมายถึงการ <c oughs> จําแนกชาติโดยตระกูล มีอยู่เก้าตระกูลด้วยกันอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะเอามาตั้งตั้งแล้วพูดตัวตระกูลให้ชัดทั้งเก้าเนี่ยนะครับพอเราเข้าใจตระกูลวิชาชัดแล้วพอสงเคราะห์ปัจจัยยี่สิบสี่เข้ามาว่าปัจจัยไหนอยู่ในตระกูลไหนก็จะครอบคลุมฟังง่ายครับเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จะมีประโยชน์ในทางการปฏิบัติด้วยปฏิบัติที่จะหมายถึงปฏิบัติวิปัสนานหิจรับปฏิบัติในเรื่อง ของการใช้ธรรมะในชั้นของความคิดอื่นใดก็ตามก็จะสะดวกก็จะให้รู้ชาติของปัจจัยเป็นเข้าคร่าวซะก่อนและจะอธิบายนิดหน่อยนะคะชาติของปัจจัยเก้าชาหนึ่ง <c oughs> เรียกว่าสหาชาติชาสชาติสหชาติชาแต่ชาตินั้นแปลว่า <c oughs> ปัจจัยที่อยู่ในสกูลสหชาติสาชาติ ส, าชา ต, สาชาติแปลว่าเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกัน ก็ได้เกิดร่วมกันก็ได้คําว่าเกิดพร้อมและเกิดร่วมเนี่ยเกิดหมายความว่าเกิดในลักษณะปะปนกันเหมือนเราเอาของหลายๆอย่างาเช่นเราแกงักหม้อหนึ่งเราก็จะเอาของไอความเป็นแกงเช่นแกงส้มก็ดีแกงเกียวหวานก็ดี ความเป็นแกงนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่มีหลของหลายๆอย่างมารวมกันในหม้อเดียวกันอันนั้นน่ะเรียกว่าเป็นแกงถ้าเราแยกมะเขือออกมามะเขืออย่างเดียวไม่เป็นแกงแยกน้ำกะทิออกมาน้ำกะทิอย่างเดียวไม่เป็นแกงเพราะนั้นความเป็นแกงจะสำเร็จประโยชน์แก่การบริโภค ต้องเกิดขึ้นจากการร่วมกันทีนี้ในแง่นี้นะ่ะโดยความหมายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอำนาจของสภาวธรรมที่มันเข้ามาเกิดตนกันเนี่ยอย่างเช่นดวงความคิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือเป็นกุศลหรือแม้แต่เป็นวิปัสนาญาณที่หนึ่งหรือเจะขึ้นไปถึงมรรคญาณก็ตามในดวงความคิด แต่ละคุณภาพทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยนะครับสามบ้างหุงบ้างเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยเดียวถ้าหน่วยเดียวแล้วเนี่ยมันจะมีความประณีตน้อยมีอนุภาพน้อยทั้งในทางดีทางชั่วอ่าคนยกตัวอย่างเช่นว่า <c oughs> คนทาวิปัสสนาเนี่ยจริงๆก็คือเจริญไตรศิษาพูดอย่างสั้นสุดอย่างพิสดารไปหน่อยก็คือเจริญมัทเพ วิสดารที่สุดก็คือเจริญโพธิปักยธรรมสามสิบเจดในขณะที่เราลงมือ ท, ทําวิปสัสนาแกลกๆกเนี่ยมรรคแปดเกิดทันทีเลยอย่างอย่างโพธิปักเกิดทันทีเลยอย่างอย่างไตรสิขาเกิดทันทีเลยอย่างอย่างเราต้องบอกว่ายัางนะมันไม่ใช่ยังเพระแกลกๆอันนี้พูดในแง่ที่ว่าแม้แต่การรวมหน่วยของธรรมคุณของ สภาวะธรรมที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะมันก็ยังกระจกะจายเกลี่ยก ร, กระจายเพราะนั้นผู้ปฏิบัติหรือผู้เจริญกุศลธรรมเนี่ยต้องเจริญเพื่อรวมตัวของของกุศลธรรมให้ผนึกกําลังผสมตัวของกุศลธรรมให้ลงไปรวมอยู่ในหม้อแกงหม้อเดียวกันให้ครบที่สุดถ้าไม่ครบก็หมายความว่าแกงหม้อนั้นยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมนอกจากว่าครบแลเนี่ยจะต้อง ทำการ <c oughs> ต้มหมูให้แกงหม้อ น, นั้นสุกได้ทีสุกได้ทีก็เหมือนกับคนที่จะเรียนวิปสัสสนาเนี่ยเราสรุปได้ว่าทํากีจสองอย่างนะคือหนึ่งรวมหน่วยของสภาวธรรมให้มากของกุศลธรรมนะให้มากสองอบลมกุศลธรรมให้สุกงอมเหมือนกับเราแกงถ้าหน่วยครบแล้วก็สุกงอมเต็มที่ สภาวะธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะมีพลังยังผลให้เกิดตามที่เราปรารถนาหรือตามที่หลักการบอกเต็นที่แล้วนะอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นอํานาจของสหาชา ต, ติปัจจัยคือการรวมตัวของสภาวะยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะเป็นเรื่องของกุศลธรรมในชั้นของภาวนาแม้ไม่ใช่ชั้นภาวนาเช่นเราทําทานเนี่ย เราทำทานหรือเราฟังธรรมหรือแสดงธรรมผู้ใดที่มีองค์ประกอบของกุศลธรรมรวมตัวมากเท่าไหร่กุศลธรรมนั้นก็ดีเท่านั้นใช่ไม่ใช่แล้วก็ทำให้ถึงความสุขงอมมากเท่าไหร่ต่อเนื่องเท่าไหร่ก็เป็นกุศลธรรมที่จเจริญงองงามเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่านั้นนี่คือหลักใหญ่ของ สหาชาติชาติในฝ่ายของกุศลธรรมที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ว่าสหาชาติชาติหรือปัจจัยที่มันหมายถึงอพลังของพระธรรมในปัใจจัยในสกุลนี้มันหมายถึงในทางบาปด้วยในทางบาปก็เช่นเดียวกันอากุศลธรรมหรืออกุศลจิตอกุศลจเจตสิกเกิดรวมตัวกันมากเท่าไหร่ครบสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็เป็นบาปมากเท่านั้นใช่ไหมใช่ แล้วก็สุกงอมมากเท่าไรก็เป็นบาปมากจากนั้น่นี่คือในแง่ของข้อเท็จจริงนะในพูดในแง่ของข้อเท็จจริงไม่ได้พูดในแง่ของการว่าควรทําอย่างไรถ้าพูดในแง่ว่าควรทําอย่างไรนั้นพระพุทธศาสนาจะวางข้อเท็จจริงแล้วก็โยงเข้ามาสู่การว่าจะทําอย่างไรถ้าเป็นเหตุผลข้างกุงรศลธรรมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนี้เราก็รู้กุศลธรรมนั้นควรอบรมควรทําให้สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นอกุรศลธรรม เราก็ควรทำให้บกพร่องใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าโกรธ ด, ด้วยอิจฉาหรือสถานีทีเหนียวด้วยกุกุจัความมีความเลือร้อนใจด้วยฟุ้งซ่านด้วยโมหะด้วยปะปนกันไปมากเท่าไหร่เท่าไหร่อกุศลเจตสิกเกิดครบเท่าไหร่เป็นบาปมากก่านั้นอั น, นนี้เราก็เป็นข้อที่เรารู้แต่ในทางปฏิบัตินั้นเราต้องลดลดทั้งกาลังแล้วก็ลดทั้งปริมาณไอ นี่ก็คือการลดกระแสรหรือลดพลังของความเป็นส า, าชาชาปัจจัยนะถ้าในทางบุญก็เพิ่มคือเพิ่มพลังของความเป็นส า, าชาตาปัจจัยส า, าชาตาชาคือมันหลายปัจจัยนะปัจจัยที่อยู่ในเหตุผลเดียวกันอันนี้ทาอย่างนี้นี่คือส า, าชาตาชาคลุมหลายปัจจัยจะได้พูดต่ อ, ต, อต่อไปในการบรรยายกลางหลังต่อไปปัจจัยที่อยู่ในสกูลที่สอง ที่เรียกว่าอารัมณนาชาติคาว่าอารมณ์เนี่ยเวลาเราพูดกันโดยทั่วไปเมื่อยังไม่พูดถึงปัจฐานเนี่ยเราก็พูดว่าอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดจิตจิตต้องรู้าอารมณ์เราไม่ได้พูดในแง่ของพลังอำนาจใช่ไหมเหมือนเราพูดถึงไม้เท้าเราก็บอกไม้เท้านี่เราเอาอาศัยไปยุงกายเราพูดถึงรถก็อาศัยเป็นยานฐานะไม่ได้มองในแง่ของพลังอำนาจเลยแต่ พอพูดในแง่ของพลังอํานาจแล้วเนี่ย ม, มีความหมายว่าอารมณ์ที่เรารับรู้เนี่ยมันเป็นพลังอันหนึ่งนะถามว่าเป็นพลังที่ทําให้มีผลต่ออะไรตอบว่าอะไรที่รู้อารมณ์ได้อารมณ์นั้นเข้าไปมีพลังต่อสิ่งนั้นนี่นี่ว่าแบบกวา้างๆทีนี้ขยับเข้ามาว่าแล้วอะไรเล่ารู้อารมณ์ได้ตอบว่าจิตเจตสิก พูดรวมๆกันก็ว่าจิตดวงจิตเรานรู้อารมณ์ได้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตเป็นผู้รู้อารมณ์และเมื่อจิตเป็นผู้รู้อารมณ์อารมณ์จึงมีอำนาจต่อจิตทีนี้ถ้าถามว่าะอะไรละคืออารมณ์อตรงนี้ถ้าเรียนกันอยู่แล้วก็ไม่ยากแต่ว่า <c oughs> พอมาถึงปัจจัยในี่ยก็แยกแยกลักษณะอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งพิสดาร <c oughs> ซึ่งก็หมายความว่าไอ้เราเนี่ยเรามีดวงจิตอยู่ จิตเนี่ยจะว่ามันเป็นของมีพลังก็จริงจะบอกมันเป็นของอ่อนแอก็จริงคือไอ้พลังเนี่ยมันมันได้มันมันไม่ใช่ได้มาโดยไม่ได้อาศัยสิ่งคําจุดจุม่มะมันมีอาศัยสิ่งคําจุนจึงทำให้มีพลังมพอชักสิ่งคําจุนออกไอ้คาจุ่นก็เลยปัจจัยพลังมันก็หมดอย่มวกเราคนมีอานาจมีตบาแข็งแรงเนี่ย มันถึงมีลักษณะที่หน้ามือกับหลังมืออยู่ด้วยกันแหละเคยยกเคยเคยเชี่ยเห็นมามาเยอะแล้วนะโดยเฉพาะาลังทางจิตเนี่ยเวน้นมักเว้นผลออกอย่างคนได้ฌานเนี่ยก็มีมุมอ่อนแอมีมุมอ่อนแอมากๆอยู่ด้วยอาจจะห่อเหินเดิอนอากาศได้ทำโน่นทำนี่เป็นพิสดารเหนือมนุษย์ได้แต่คนได้ฌานก็อ่อนแอกับบางอย่างนะ ่คนไม่ได้ฌานที่อาจจ ะ, จ, ะจะแข็งแรงกว่าคนได้ฌานบางอย่างข้อนี้ก็ผมหมายความว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่ที่อารมณ์ที่เรารับรู้ด้วยถูกไม่ถูกอารมณ์ที่เรารับรู้เนี่ยเราจำได้จำไม่ได้นึกได้นึกไม่ได้เห็นทุกได้เห็นทุกไม่ได้ทุกอย่างที่เราพูดอย่างวนก่าวก่อนนะ ไอ้ทุกข์สิมันอยู่รบหล่ตัวเราเราเห็นได้ไม่ได้ไมรู้อะไรทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่อารมณ์ทั้งนั้นว่าถ้าเราได้รับอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยสรั ธ, ธาเกิดความสงบเกิดเราได้รับอารมณ์บางอารมณ์นั้นความผู้ซ่านเกิดโทสะเกิดเราสังเกตหรือตามนึกย้อนไปถึงอดีตได้เลยว่าเวลาที่เราไปต้องอารมณ์บางอารมณ์เนี่ย เรารู้สึกว่าใจเรามันถูกครอบนำจริงไหมไอ้เวลาเราพูดกันอยู่ในแวดวงของกูรรจิตเนี่ยเราก็บอกว่าเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นกูสรจิตอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่ควรอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทั้งคนพูดคนฟังพอไปประสบกับอารมณ์ไอ้ที่ตัวเองพูดอยู่ยกหยกเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่พูดนะอารมณ์มันแบบหนึ่งจิตมันก็เป็นแบบหนึ่ง ในขณะที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าและใจเราต้องเป็นอีกแบบเพราะตอนนั้นอารมณ์เป็นอีกแบบนะเอาล่ะทา่านนี้พอพูดถึงอย่างนี้แล้วท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนก็ฝึกฝืนไม่ได้สิพอออกจาก <c oughs> ที่ล่มไปสู่ที่ร้อนก็ต้องเปลี่ยนกันร้อยคนหมดเลยจากที่ร้อนเข้ามาสู่ที่ล่งก็เปลี่ยนหมดโจนเข้าวัดก็สันดานเป็นขสาธุชนหมดสาธุชน <c oughs> ไป อ, อยู่ในที่อื่นที่มันยัวย่วยุวยั่วยุวยวยวยวทําให้ตัวเองต้องทําผิดศีลข้อนั้นก็นี้ก็ต้องเป็นคนดีไอ้คนชั่วไปหมดอย่างนั้นเลยตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ก็หมดอนานาจดีเอาแน่ไม่ได้ดีก็ตรงนี้แหละครับที่ผมพูดใน้ฟังเพื่อจะบอกว่าเพราะว่าชีวิตเราในอยู่ภายใต้กฎของเหตุปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยเดียวอารมณ์อย่างเดียวว่ารับอารมณ์นี้เราก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับคนบ้า ถูกไม่ถูกคนบ้านเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าคือเฉพาะที่เขาคิดอ่ะเขาคิดก็เห็นนะฮะเสริมตลอดเวลาแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นรออะไรเพราะว่าเราเองมีแรงฉุดแรงต้านของเหตุปัจจัยอื่นเช่นอุปนิสัยเข้ามาฮะว่าเราพอไปได้รับรู้ข้อเท็จจริงอันนี้โดยการฟังการคิดการปฏิบัติเห็นเราก็ ไปได้พลังทางปัจจัยตัวอื่นเดียวมจะบอกให้ฟังก็ทําให้เราเนี่ยมีแรงฝืนอารมณ์กับอารมณ์นะไม่ใช่ตัวอารมณ์แรงฝืนอารมณ์กับอารมณ์กับบ้างอารมณ์มันแล้วแต่ว่าอารมณ์ใดเป็นฝักฝ่ายของอุปนิสัยไหนเช่อายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเราเป็นคนขี้โทสะแล้วก็เจอแต่คน <c oughs> หน้าเป็นมา้าหมากลุกพูดไม่เข้าหู อั น, นิีทารมตลอดเวลาเราเป็นคนขี้โทสะก็เลยเป็นอันว่าไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยกันเลยแต่ว่าเราเองเป็นคนขี้โทสะแต่ว่าไปอยู่ในถ้มกลางอารมณ์ที่ดีคนมีเมตตาได้ฝึกเมตตาจิตได้เห็นแบบอย่างคนมีเมตตาเราก็ได้อดุปรลยสายทางเมตตาจากอารมณ์เหล่านี้นะพอมาประสบกับอา น, นิจธาลมอีกเราก็มีแรงฝืนถูกไห ไอแรงฝืนเนี่ยมันเกิดจากอุปนิสัยที <c oughs> นี้สามว่าอุปนิสัยมาจากไหนมันก็บอกว่ามาจากอารมณ์นำมาอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของความกระละกันของเหตุปัจจัยว่าไอทรงเนี่เรามันเป็นเกรดที่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยเรารู้ว่าไอไอตรงนี้มันได้มาเพราะไอปัจจัยอะไรนําทางมาเราก็ไปตั้งต้นที่ต้นทางของปัจจัยตัวนั้นแล้วเราก็ใช้มันเป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงปัจจัยบางปัจจัยที่มันเป็นต้นทางนํามาของ อุปนิสัยบางอย่างเพื่อให้มันอ่อนกําลังก็จะทําให้เราเนี่ยบริหารจิตของเราเองในลักษณะที่เรียกว่าไม่ใช่โดนบันดาลเงี้ยเหตุปัจจัยไม่ใช่ดนบันดาลแต่เข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วก็ใช้ความพยายามเนี่ยจัดฉากของชีวิตจัดสภาวะแวดล้อมของจิตให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัยอย่างที่เราเลือกจะเป็น อย่างที่เราควรจะด <c oughs> ัานั้นคนบรรลุวิปัสสนาได้แถ้าลองคิดดูนะในข้นกยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นเชัดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีอํานาจปัจจัยอันหนึ่งอํานาจตัว น, นี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะที่จะไปสะกดคนให้ยกถนูหญิงแล้วหญิงไม่ออกเช่นไปรากดราม ก, กุฎมิตรอะไงนี้ไปสะกดคนให้ลืมไปสะกดคนให้ระลึกได้อะไรบางอย่างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย ทำไมไม่สะกดคนให้บรรลุมรรคผลนิพพาทำไมไม่สะกดคนให้ได้ฌานนะพีา่าในลักษณะที่เหมือนสะกดจีตแล้วก็นอนหลับอยู่ไปชี้นิ้วสะกดเราเลยพอตื่นขึ้นมาก็อิจเกเรตเราหายไปไหนงงงงหมดเลยนะกลายเป็นคนละคนเลยเหมือนผีเข้าหรือเหมือนไล่ผีออกก็ได้ทำไมถึงทำไม่ได้อย่างนั้นทำไมเราต้องมาทำเองก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ได้แต่เหตุปัจจัยบางอย่างด้านเองนะที่มันต้องมา มันหนุนมารับกระเหตุปัจจัยที่มีอยู่ในตัวเราที่เราสามารถจะบริหารได้ทีนี้เรามาดูววิธีการบรรลุมาผลนั่นก็คือการที่พยายามจะไปหน่วงเอาอารมณ์บางอย่างมาให้เป็นที่รู้ของใจเราให้ได้ใช่ไหมเช่นเราไปกำหนดนามกำหนดลูก พอทุกวันในอารมณ์ของเรามันไม่ยานามีะรู้มเป็นคนเป็นศัตว์มันเป็นสุขมันเป็นสวยแล้วก็มันเป็นเที่ยงเราก็ไปพยายามดูจับอารมณ์อีกอย่างที่มันตรงข้ามไม่ได้เพราะจับอารมณ์นั้นได้ไอ้ใจเราที่ได้ความรู้สึกจากอารมณ์ตร ง, งข้ามมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ค่อยๆละลายหลอมตัวลงละลายตัวลงแล้วยิ่งเราจับอารมณ์นั้นชัดเจนฝังใจ ต่อเ น, นื่องยาวนานนั่นแหละในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้อุปนิสัยได้ที่เรียกว่าได้ปัญญาได้สติสมัมัญญาจากอารมณ์ที่เราเห็นเหมือนเราพระพุทธเจ้าเปิดนรกให้สัดดูเปิดนะปิดตัวิสัยให้สัตวเห็นพอไปเห็นอารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกก็ได้เป็นอีกอย่างนึ่งนี่คือพลังงาอรามณาปัจจัย ทั้งนิพพานเนี่ยคนจะละกิเลสได้ต้องหลูนิพพานมาเป็นอารมณ์นิพพานนั้นจะมีผลต่อการละกิเลสคือเพิ่ม พ, พลังให้กับจิตแล้วเมื่อจิตมีพลังก็ทําลายกิเลสที่อยู่ในสันดานด้วยเองได้เราเข้าใจหลักตรงนี้จึงทําให้เราก็จับหลักได้อย่างหนึ่งว่าทําอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้ได้อารมณ์ ไอ้ชาวโลกนะเขาสอดรู้สอดเถียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิเลสตัวนั้นตัวนี้ของเขาก็สอดรู้สอดเห็นใช่ไหมในเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบสอดรู้สอดเห็นที่กําลังยแพร่หลายนยิยมอินเทอร์เน็ตระบบสอดรู้สอดเห็นแม้มีสํานักวิปัสนาหรือวิปัสนาจารย์ใดใสอันนี้จ้างทุกครั้งหน้าตาเขาไปอินเทอร์เน็ตเลยนะครับใสเชื้อมักเชื้อผลใบวบาใครกดออกมาก็ได้ได้เห็นเห็นแล้วกิเลสหลุด กันไปทั้งโลกนี่จะทําได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่ามันอพูดถึงการจะล้ถึงขั้นสูงต้องมีอกระบวนการของปัจจัยหลายอย่างนะฮะแล้วก็ไออันนีจ้จำทุกครั้งที่เห็นในอินเทอร์เนต็ตมันไม่ใช่บารมณนอารมณ์มันเป็นเรื่องของสมมุติปารมณ์อารมณ์ต้องเห็นได้ตามคันลองของการปฏิบัติกรรมฐานไปดูที่ว่าข้อสามตระกูลที่สามของปัจจัย เรียกว่าอานันตระชาติอนันตระชาตินะก็คือปัจจัยจําพวกที่เกี่ยวกับความที่เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปจิตดวงใหม่เกิดจากแรงอุดหนุนของจิตดวงเก่าและจิตดวงใหม่ที่เกิดดับไปแล้วก็เกิดแรงอุดหนุนให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเหมือนลูกคลื่น คลื่นอันหนึ่งหาดับยุบตัวลงไปแล้วก็ดันขึ้นอีกคลื่นหนึ่งให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นระบบสืบต่อคือ <c oughs> มันว่าพูดอยู่บนพื้นฐานของหลักข้อได้จริงอันหนึ่งว่าจิตของเราของเราหมายถึงตามหลักทางศาสนาพุทธเนี่ย <c oughs> เหมือนกับวัตถุธรรทั้งหลายในโลกนี้จิตนั้นไม่มีจิตละมาตะไม่ว่าจะจิตไกลแม้ยังไม่ตาย จิตมันก็เกิดดับเกิดดับในอัตราที่เร็วมากเหลือเกินเร็วยิ่งกว่ากระแสควอยควาเลยกระแสความเร็วของวัตถุอื่นใดที่เรื่องความเกิดดับเกิดดับนี่ยมันมีปัญหาว่าทําไมดับแล้วถึงไม่ดับเลยนะเอาถึงมันจะไม่ดับเพราะไอ้ดับปุ๊บไปเลยมันก็ว่าพอดับเกิดใหม่แล้วมันน่าจะถึงจุดหนึ่งที่มันดับต๋อมหายไปกระจายนะทําไมมันถึงไม่ดับต๋อมหายไปอย่างเช่นว่าเรา มีชีวิตดวงจิตข้างเราในชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบตลอดชีวิตนะเสร็จแล้วอหมดอายุไขตอนจะตายจิตก็ดับและจิตใหม่เกิ ด, ช า, กกดชาติใหม่ก็เกิดต่อไปแล้วก็ชาติแล้วชาติเล่ากําหนดเบื้องต้นไม่ได้ถามว่าอะไรมันทําให้จิตเกิดดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดดั บ, ดบอเนื่องเป็นกระแสที่ยืดเยื้อย่งยางนานในสังสารวัตคําตอบจริงๆบอกว่าหลายปัจจัยนะ ถ้าคนยังสมบูรณ์ด้วยปัจจัยแต่มันจะมีตัวหลักอีกตัวนะตัวใกล้ชิดเฉพาะหน้าตัวถ้ายังสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งตัวหลักตัวรองมันก็เวียนไว่ายตายเกิอดอยู่ในของเทรวัตไม่รู้ไม่รู้จบแต่ถ้าบุคคลเอาปัจจัยบางปัจจัยออกได้เอาปัจจัยหลักออกได้ปัจจัยตัวรองๆก็ปล่อยศูนย์สลายลมสลายไปด้วยอ่าตรงนี้หมายความอย่างไงยังจะต้องว่ามันเข้าจุดตรงนี้ครับ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปจิต ด, ดวงใหม่เกิดขึ้นอย่างในลักษณะที่เรียกว่าเสบต่ออนันตระเนี่ยแปลว่าไม่มีระหว่างขั้นตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นอํานาจปัจจัยอันหนึ่งที่ชื่อว่าอนันตระปัจจัยเป็นต้นนะมันมีปัจจัยอื่นที่ทำอนันตระปัจจัยแต่ว่าอยู่ในชาติเดียวกันในตระกูลเดียวกันดับแล้วหนุนขนาใหม่ให้เกิดที่ไร้การที่มันดับแล้วหนุนขนาใหม่ให้เกิดได้เนี่ย เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นช่วยอ่ะอย่างเช่นว่ายังมีกรรมที่จะต้องเกิดหรือกรรมที่เป็นอุปธรรมพวกกรรมชนกกรรมยังไม่สิ้นมันก็ยังไออนันตรปัจจัยมันก็ยังมีพลังอุดหนุนอุดหนุนุนุนกันไปเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยที่เราเรียกว่าสันตติอ่ะไอเวลาพูดเรื่อสันตติเนี่ยเราบอกก็ต่อไม่ได้พูดในเชิงพลังบอกเขาสัญติคือการสื่ต่อแต่พูดในเชิงพลังเนี่ย ว่าทำไมมันถึงต่อก็ตอบข้อก็ต้องบอ ก, อ ก, อกอว่าพ่อไอจิตัวงนั้นดับไปแล้วมันหนุนดวงใหม่ให้ให้เกิดต่อเป็นไปโดยลำดับสืบสายกันอย่างนี้นี่เรียกว่าอนันตระเป็นสิ่งที่เรียกว่าเห็นเฉพาะหน้าเป็นเหมือนเทียบเหมือนกั้ลักษณะหลายๆอย่างเช่นแรงเฉยแรงผลักดันอะไรําลองอย่างนี้นะสืบสายกันไปอย่างนี้คะนี้ถ้าถามว่า ทำไมพระอาหารหันต์ดับและจึงไม่เกิดจูติดับแล้วปฏิสนธิไม่เกิดถามว่าจูติจิขอพระอาหารหันต์ไม่มีอนันตระไม่มีพลังทานนันตระปัใจจัยให้เกิดปฏิสนธิตอบว่าหมดแล้วหมดเพราะอะไรหมดเพราะว่ากรรมและกิเลสไม่มีไอตัวหนุนหลังอยู่นะมันหมดหมดก็ไม่สืบต่อไอของเรานี่ยังมีกรรมมีกิเลสมันมันต่างกันอย่างนี้เท่านั้นแหละครับว่า ไอ้เนื้อของอั น, น, นตราปัจจัยเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความสืบต่อของจิตเราเนี่ยมันจะสืบต่อในรูปแบบไหนรูปแบบไหนไหมายถึงว่าในอัตภาพไหนอย่างไรนั้นอยู่ที่ความผิดแผกของปัจจัยหลักที่หนุนหลังอยู่อย่างเช่นว่าเราเนี่ยเกิดมาเรามีชนกกรรมชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอายุแค่ครึ่งชีวิตวนไม่เต็มชีวิตนี่ ชนกกรรมนั้นก็นำเรามาเกิดได้บุคลิกสมถภาพทางจิตอย่างนี้เกิดเกิดมาเสร็จแล้วไอ้ระหว่างที่ชน ก, กรรมเขายังรับรองอยู่เนี่ยอนันตระปัจจัยมันก็มีพลังนะเสร็จแล้วพอไอ้ชน ก, กรรมนั้นหมดด<ะ>ับจะด้วยว่ามีอุปกรารกรรมเข้ามาช่วยตัดด้วยเราตายใช่ไหมใช่หมายความว่าอนันตระปัจจัยในสภาพจิตอย่างนั้นหมดแต่ว่าเราเข้านิพพานไหม ไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่าเรายังมีกิเลสยังมีกรรมชุดใหม่ที่อาศัยกิเลสเป็นตัวรับรองชี้ตําแหน่งให้เราเพอจุติดับปฏิสนธิจีตก็เกิดด้วยอํานาจกรรมและกิเลสชุดใหม่พลังอนันตระปัจจัยก็ยังทํางานของมันต่อไปเหมือนกับเราเรากําลังเปิดทีวีดูอยู่ดีๆเสร็จแล้วว่าทีวีก็ไม่ได้เสียแต่มันก็เหมือนเสียดับ เงียบหมดเลยแอร์ก็ไม่ได้เสียแต่มันเสียดับเงียบหมดเพราะอะไรเราเคยเข้าใจผิดอยู่บ้างบางครั้งเนื้นว่าไอ้เครื่องใจไม้สอยเครื่องไฟฟ้าเราเสียที่จริงมันไม่ได้เสียแ ต, แต่มันก็เหมือนเสียใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ เ, เหตุปัจจัยหลักที่มันไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันหมดอํานาจหมดาําลังลงมันก็เลยเหมือนเสียคลาสหานนะครๆอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามอนันตระปัจจัยโดยเอกเทศ โดยอานาจในขอบเขตของตัวเองก็เป็นพลังอานาจหนึ่งเรียกว่าอันันตาระปัจจัยในลักษณะอย่างนี้เรียกอนันตราชาตหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันมีพลังหลายรูปแบบนะฮะไอพลังที่เราพูดพูดกันหนึ่งก็เป็นพลังในแบบอื่นๆพลังในทางพลังงานโกลพลังความร้อนพลังเสียงพลังอะไรมันก่อให้เกิดพลังต่างๆได้พลังกรรมก็เป็นพลังนั้นทั้งผู้นี้เป็นปัจจัยทั้งนั้นอยู่ในปัจจัยยี่สี่ทั้งนั้น และพลังอันหนึ่งก็คือพลังอันันตระปัจจัยเนี่ยแล้วก็เหมือนกันหมดเลยพลังอันนี้ถือว่าไอ้พลังจิตบางอย่างเนี่ยเกิดจากการฝึกธรรมะจึงจะได้พลังเหล่านั้นแต่พลังบางอย่างเนี่ถือเป็นพลังที่แน่นอนพลังตามธรรมชาติ อย่างเช่นพลังกรรมเนี่ยครับยุงสักตัวไม่รู้คอไก่ขอไข่เลยมันก็มีพลังกรรมไม่เคยรักษาสีและข้อมก็มีพลังกรรมใช่ไหมและมันมีพลังทางอุปนิสัยชะถูกไม่ถูกนิสัยสัยสยดนดานนี่เป็นพลังอันหนึ่งและมันมีพลังทางอนันตระปัจจัยทางอนันตระชาติเสมอเหมือนกันพลังอย่างนี้ไม่ต้องสร้างเป็นพลังที่ได้ตามธรรมาชาติใจตระกูลที่สเรียกว่าวัตถุปุเรชาตชาติวัตถุปุเรชาต ชาติวัตถุนั้นหมายถึงที่อาศัยถามว่าที่อาศัยของอะไรต่อว่าที่อาศัยของจิตปุเรชาติปุเรเนแปลว่าก่อนชาตาแปลว่าเกิดปุเรชาตาแปลว่าเกิดก่อนปุเรชาวัตถุปุเรชาตาจึงแปลว่าวัตถุคือที่อาศัยของจิตที่เกิดก่อนจิตตรงนี้ฟังทําท่าจะยากหน่อยแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ คืออย่างนี้ครับอธิบายพ อ, อ เ, ขเข้าใจคร่าวๆไปก่อนเอจิตของเราเนี่ยเวลามันรู้อารมณ์มันก็จะมาสายเกิดที่ปลายนิ้วบางทั่วตๆเนี่ยมาสายเกิดได้หมดที่ตาบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างที่ลิ้นบ้างการรับรู้ปรากฏที่ไหนจิตตั้งอยู่ที่ตรงนั้นตัวจิตมันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่งอะไร เป็นแต่ความรู้สึกที่ประกอบด้วยลักษณะต่างๆและไอ้ตรงนี้ยิ่งจําให้เราเห็นว่าเช่นเราเราสบายที่ปลายนี้เราเจ็บที่ปลายนิ้วเนี่ยจิตตั้งอยู่ที่นั่นแต่อย่าได้ไปเที่ยวสอดส่องดูแล้วว่าจิตมันเป็นยังไงาการอธิบายอย่างนี้จะจะทําให้เราทราบซึ้งเห็นชัดว่าจิตนั่นเป็นของอ่อนแอ ต้องยืนอยู่ด้วยเหตุปัจจัยปัจจัยประชุมมาที่ไหนปรากฏที่นั่นเพราะฉะนั้น<ม>พระสารีบุตรจึงได้กล่าวใ่ในพระไตรปิกว่าเหมือนบุคคลเอาไม้มาเคาะกันบ้างเอาไม้มาสีกันบ้างเสียสีกันควารมร้อนเกิดที่นั่นเพราะไม้สองอันมาสีกันพวามจริงก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยมีอากซิเย็นด้วยอะไรด้วยที่มาประชุมกันก็เกิดเป็นควารมร้อนเกิดไฟที่นั่น เอาไม้สองอันมาเคาะกันเกิดเสียงที่นั่นแต่ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ใจมันมาเคาะกันเคาะกันเคาะกันแล้วเกิดความรู้สึกเหตุปัจจัยมันไม่ได้เคาะแช่อย่างนี้ตลอดเวลานะมันเคาะแบบทีหยิบเหมือนแช่เรารู้สึกเหมือนแช่แต่ความจริงมันไม่ได้แช่มันมีและระยะเ ว, ว, เ ว, ว้นวักเว้นว่างอนี้คืความเกิดดับไงผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็เกิดดับตัวเหตุปัจจัยก็เกิดดับทั้งเหตุทั้งผลต่างเกิดต่างดับด้วยความรวดเร็ว ที่อุตุชนผู้ไม่ได้ระดับมองไม่เห็นอุตุชนผู้มาได้ปฏิบัติตามธรรมของพระอริย ม, มองไม่เห็นมามองไม่เห็นก็ยึดทั้งเหตุทิศทั้งปัจจัยจะเอาเป็นตระนัเป็นที่พึงออกไปเห็นเข้าก็รู้ว่ามันเป็นของเอาเป็นที่พึงไม่ได้เราต้องยืนอยู่ด้วยแรงคำจุนของเหตุปัจจัยสารพัดอย่างอย่างนี้ดีบ้างไม่ดีบ้า ง, มางสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายในศาสนาของพระอริยเอาล่ะก็นี้มผมกําลังจะพูดว่าในตัวเราเนี่ยผมถามว่าจิต เกิดก่อนกายหรือกายเกิดก่อนจิตถ้าถามอย่างนี้จิตมาก่อนกายหรือกายมาก่อนจิตอันนี้ถ้าเราตอบตามประสบการณ์ที่ยินได้ฟังแล้วก็ตอบแตกต่างกันไปเป็นนั้นมาก ตอบแบบคนเรียนก็อาจจะตอบอย่างเอาอย่างนี้ว่าไอ้ตอนที่เราเกิดขึ้นมาเป็นกะละละเล็กๆวิญญาณหยางลงก่อนมารอร่างรอรูปพอวิญญาณหยางลงปุ๊บกะละละจึงคุมตัวขึ้นมาที่หลังหรือว่ากะละละปรากฏก่อนแล้ววิญญาณจึงมาที่หลังหรือมาพร้อมกันตรงนี้ถ้าอธิบายยกหนยกนี่ก็ยืดยาวแล้วเอาพูดให้เข้าจุดไปว่าในทางหลักเนี่ยตอนเกิดน่าเกิดพร้อมกัน ปฏิสนธิอย่างจริงอยู่แม้ว่าไอเชื้อพ่อเชื้อแม่จะมีเตรียมอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเป็นร่างกายของสัตว์นั้นในอย่างยังใช่ไหมล่ะยังยังเป็นวัตถุดิบอยู่พอปฏิสนธิอย่างลงปุ๊บกลายเป็นอัตภาพใหม่ขึ้นมาเลยลูกนั้นเป็นลูประขันของสัตว์ใหม่ขึ้นมาสัตว์ใหม่ก็คืออินทรีย์ที่ยังหลบมีพร้อมกันอย่างนี้แต่ว่าประหลาดครับหลังจากนั้นแล้ว รูปเกิดก่อนหลังจากนั้นหมายก็ว่าพอชีวิตเจริญเติบโตเนี่ยรูปเกิดขึ้นมาก่อนวิญญาณอาศัยวิญญาณมาใช้งานที่หลังเอาอย่างนี้แล้วกันเว้นแต่ตอนเกิดตอนเกิดน่ะพร้อมกันพอหลังจากเกิดแล้วอรูปปรากฏก่อนวิญญาณมาใช้งานที่หลังเอาอย่างงี้แล้วกันนะวิญญาณมาใช้งานที่หลังมันมีเหตุผลในทางลึกอธิบายตัวนี้อย่ายุ่งเอเทียบเหมือนกับว่าอา่า บ้านหลังแรกของเราคือต้องพอ่อถ้าต้องแม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามาปฏิสนี่มันก็ได้อาศัยนะแต่ไอ้ผู้พูดว่าเทียบโดยทั่วไปเนี่ยบ้านของเรานั้นไอ้ไอ้ไอ้บ้านทรัพย์เป็นบ้านที่เราสร้างใหม่นะอันหนึ่งนะไอ้บ้านที่ไปเช่าเขา อ, อยู่หรือไปได้านมาดกนั่นอีกอย่างหนึ่งบ้านมาก่อนเรามาทีหลังนั้นอันนี้อาจมีนะแต่ผู้พูดว่าบ้านที่เราปลูกเนี่ยบ้านมาทีหลังเราใช่ไหมลนะ่ะ เรามาก่อนบ้านอ่ามันเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราก็เทียบว่าเอาเฉพาะบ้านที่มาก่อนเราแล้วกันบ้านมาก่อนเราแล้วเรามาใส่บ้านทีหลังเทียบเหมือน ก, กรณีนี้อ่าโดยหลักเนี่ยประสาตาปลากฏก่อนประสาตาเป็นวัตถุจักสุวิญญาณจึงมาใส่ตาทีหลังหูปลากฏก่อน โจอวิตาวิญญาณจึงมาอาศัยประสาทหูภายหลังชีวิตหลังเกิดเป็นอย่างนี้ระบบประสาทเกิดก่อนอีกวิญญาณจึงมาอาศัยทำงานภายหลังลักษณะของเหตุปัจจัยอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าวัตถุปุเรชาตะซึ่งที่จริงมันก็คือวัตถุปัจจัยนั่นเองอแต่เติมลักษณะเติมการละลงไป ประการหนึ่งว่าไอ้เหตุกับผลเนี่ยบางทีมันเกิดพร้อมกันบางทีมันเกิดก่อนเกิดหลังกันมีเป็นลักษณะต่างๆพิสดาบมากเอาวันนี้ถ้าจะทันก็จะพูดให้ฟังถึงตรงนี้นะทาไมนทานก็ติดไว้เอที่พูดอย่างนี้ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องกระบวนการเหตุปัจจัยในพุทธศาสนาเนี่ยพูดเพื่อเป็นฐานรับแก่ผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนาก็ดี หรือผู้ปฏิบัติพัทศนาแล้วพูดเป็นตววอธิบายให้ชัดในปฏิบัติแก่ผู้นั้นก็ดว้วยเพราะเหตุปัจจัยเนีเ่ยข้างนอกก็มีเหตุปัจจัยแต่พระพุทธศาสนาพพ่งมาพู ด, ดีอย่างไหนเราจะพบว่าเหตุปัจจัยในประกานเนี่ยพูดเพ่งองอกมาข้างในอธิบายถึงกระแสเหตุเพื่อสแสดงความเป็นนัตตา เพราะอนัตตาเนี่ยอธิบายด้วยเหตุปัจจัยความไม่เป็นคนเป็นสัต์นั้นเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นอััตนานั้นปฏิเสธเหตุปัจจัยหรือว่าทุกข์ทุอย่างเป็นไปตามใจชอบเป็นไปตามบารากานเป็นไปตามพลังตามใจของใครคนใดคนหนึ่งที่อยากจะให้เป็นอันนี้คือทฤษฎีพวกหนึ่ง ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาทุกอย่างนนั้เป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยและการบริหารท่องบริหารกับเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้ใจเราเนี่ยที่พูดถึงว่าผมแบ่งในเชิงทฤษฎีนะทฤษฎีนอกศาสนาอันหนึ่งเป็นอนัตตาปฏิเสธเหตุปัจจัยไม่ให้ความสาคัญเหตุปัจจัยให้ความสําคัญแก่อัตตาแล้ว ที่สติทางศาสนานั้นเป็นอนัตตายืนอยู่บนเหตุปัจจัยให้ความองคัญเก่เหตุปัจจัยบริหารได้โดยการจัดการเหตุปัจจัยอันที่นี้อีกมุมหนึ่งในหัวใจของผู้ดูชนเนี่ยเรายอมรับเหตุปัจจัยหรือว่าเรานะ่ยจะหากเอาด้วยปะละการอย่างเช่น เราล้มเหลวในชีวิตด้วยเรื่องใดๆเราสอบสอบสตกเรายังงูอย่างนี้เราบอกว่าเรานิบถึงเหตุปัจจัยมาโหนี่นเพราะอะไรนะเราไปทำอะไรมานะอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นแย่เหตุปัจจัยคิดหรือเราคิดว่ามันทํานะเราประสบความสำเร็จเราเก่งเราแน่ โดยมากเนี่ยความคิดของเรายืนอยู่บนอัตานุทิฏฐิใช่ไหมสัตตสัญญาอัตตสัญญาเมื่ อ, อยืนอยู่บนนั้นความคิดของเราโดยทั่วไปจึงไม่รับรู้เหตุปัจจัยมันออกไปลักษณะอย่างนั้นนะไม่รับรู้เหตุปัจจัยไม่สนใจจะรับรู้เหตุปัจจัยไม่ให้ความสำคัญแก่ะระบบเปลียปัจจัยตั้งแต่ในชั้นความคิดอ่านขึ้นมาเชีย แล้วคนพวกนี้มักจะอยู่ยากเพราะอะไรเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญแก่เหตุปัจจนะัยในเหตุปัจจัยมันยอมปล่อยเรานะบอกเออมันไม่เชื่อเราเราก็ไม่เอามาันปล่อยให้มันไปไปตามเรื่ององมอยางนั้นหือเปล่าเหตุปัจจัยมันไม่ยอมคนไม่เชื่อกรมกรมมันยอมปล่อยนะั้ยไม่ยอมคนไม่เชื่อ เหตุปัจจัยอื่นๆเหตุไปให้งื่นมันก็ไม่ยอมเราก็อยยิงลงตรงนางสิครับเพราะว่าความคิดเรามันจะดื้อเอาก็า เ, าเลยอยู่อย่างเป็นทุกข์และอะไรๆก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างใจเนี่ยเป็นส่วนมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรายอมเหตุล่อยอมเก่ยไปใจมองหาเหตุปัจจัยเนี่ย ชั้นแรกที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจเหตุไปใจใจเรามันเย็นแล้วความสัมบรความรู้สึกว่าตัวไม่ใช่เป็นผู้วิเศษมาณทิฏฐิมันสงบแล้วนีน่คือผลได้ขั้นที่หนึ่งผลได้อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเราหาช่องทางที่ยังถูกต้องแยบยด ว่าเออนี่เราเป็นเพราะเหตุพปัจจัยเราก็เลือกที่จะจัดตัวเข้าหาเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแล้วก็เลือกที่จะบริหารเหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมกับตัวเราและความเป็นไปได้จึงสูงนะคือคนพอใจเป็นกลางเสร็จแล้วมองเห็นเหตุปัจจัยถูกต้องแล้วก็การที่จะดําเนินไปบนคันล้องเหตุปัจจัยก็เป็นไปได้สูงคนพวกนี้ถึงอยู่เป็นสุข แล้วก็สังเกตได้เลยว่าทฤษฎีใดแม้แต่ของฝรั่งมังค่าอะไรที่เขามองสิ่งเหล่าเนี้ยก็จะค่อนข้างเป็นเรื่องของบัญญานะเขาก็มองแล้วก็พยายามทําอะไรตามเหตุปัจจัยอย่างเท่าหยุดเขามองเห็นนะถ้าทางศาสนาของลูกจ้าน่ า, า จ, จะลึกลอบครอบไปยิ่งกว่า น, นั้นทั้งถึงเรียกปัจฐานที่มีชื่อหนึ่งนะเรียกว่าสามันต์ปัจฐาน สมัตาปัจฐานเนี่ยแปลว่าเป็นคำพีที่แสดงปัจใจอย่างรอบตัวสมัตาเ น, นี่ยแปลว่ารอบด้านก็ได้รอบตัวก็ได้แสดงปัจใจอย่างรอบตัวรอบตัวที่ทั้งในแนวตั้งแนวนอนแหละมีความหมายกลุ่มอย่างนั้นหมด เพราะว่ามันเลยไปถึงกรรมไปถึงอดีตถึงการันไกลมันก็เรียกว่าบางบางบางจุดเนี่ยแสดงกาละของเหตุกับปัจจัยไอเหตุกับผลนะในในเอกสารนี้มีแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเหตุปัจจัยบางอย่างไอผลเนี่ยบางอย่างมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยแต่เวลาเราประสานเหตุประสานหาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไร เรามักจะแคบคือมักจะเห็นแต่เหตุใกล้ๆและเหตุเล็กๆลองๆแต่เรามองไม่ไปไม่ถึงเหตุหลักและเหตุไกลก็เครียกว่าเหตุกับผลเนี่ยบางทีมันร่วมเวลากันเหตุกับผลบางทีมันต่างเวลากันต่างกันไกลมั่งต่างกันใกล้มั่ ง, ง, งไอตรงนี้เรามาอยู่ที่ฝีมือเราอะ ทฤษดีนะบอกลราแค่ทฤษฎีก็ช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าจะเห็นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เห็นแล้วก็มีหลายคนก็ได้เห็นเห็นอดีตอะไรต่ า, างๆเราเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยเป็นผลิตผลของเหตุปัจจัยแต่อดีตเป็นส่วนใหญ่นะปัจจัยหลักๆเนี่ยแต่เรามองเห็นมา มองไม่เห็นแล้วเรามันก็ยังเราหว่างการมองเห็นกับมองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นนี่มันจะได้อะไรขึ้นมาไหมหรือการที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้เสียอะไรอนี่เราสมมุิถามตัวเองดูนะเมื่อว่าเราเนี่ยเห็นเจอว่าเราเนี่ยมามีหน้าตาอย่างนี้ มีจะตายชีวิตอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่หรือเป็นบางเวลาเพราะว่ามีเหตุปัจจัยในอดีตโดยเฉพาปะปัจจัยหลักอย่างํำไปทำอะไรไว้ทำบุญไว้แบบไหนทำบาปไว้แบบไหนมันถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอเหตุปัจจัยอุดหนุนปัจจุบันเนี่ยเหตุปัจจัยผสมลงปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างนี้ มันมาสอดกล้องพอไอ้นี่มามันก็เข้าจับเลยช่วยกันนายว่ากี้ขบรลอยประเภทนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันคงสนุกนะสนุกเออเรามันเป็นอย่างนี้เราจะมีความสบายใจขึ้นบ้างไหมถ้าคนที่จะมีความทุกข์อยู่คงสบายใจขึ้น แล้วถ้าคนกาลังมีประสบความสำเร็จอยู่คงจะมัวเมาลดลงใช่ไหมใช่คงจะไม่คงจะประมาทลดลงดูถูกคนอื่นลดลงอะไรแต่อะไ ร, ดะไรลดลงไปหมดเราไปเห็นคนมาเกี่ยวข้องนี้คงมาตามเหตุตามปัจจัยเราไปเกี่ยวข้องกับใครไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันไอเหตุปัจจัยบางทีไอเราทําอย่างเช่นไปอย่างไปทอดทอดกรถิน ท, ทอาว่าป่านนัดเดียวกันนี้มันเกี่ยวกันแล้ว ต่างคนมีกรรมของตัวเองจริงแต่ว่ากรรมเนี่ยมันมักเกี่ยวกันนะฮะอันนนเวลาประสบโชคประสบเราะมันก็มาเกี่ยวกันเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องยอมแบ่งให้เขาไปตามส่วนนะอเอออันนี้เราได้อันนี้คนหนึ่งเขาก็ต้องได้นะไปตามส่วนเพราะว่าทอดกระิวัดเดียวกันนี่ทำไงได้แบ่งกันไป อย่าไปห่วงเราก็ไม่ห่วง อ, อ่ะาออเงนมาสมควรเขาจะต้องได้แล้วบางทีเราไม่รู้เราต้องนึกเลวาว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยใครมีส่วนบุญอันนี้อยู่ด้วยขอให้เขาได้มารับส่วนแบ่งไปโดยที่เขาจะรู้ตัวไม่รู้บางทีเรต้องต้องยอมให้เขาได้รับส่วนแบ่งนะฮะแม้ว่าบ้านเราปลูกมะม่วงแล้วมันแหลมมไปนอกรั้วคนเขาเดินมาเออคนร่วงซอยเราให้มันได้รับส่วนแบ่งไป เราก็ยกให้ใครที่มาอยู่บ้านใกลเลือนเพียงเราเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวพันกันในทางวิบากเท่านั้นเท่านี้นะถึงว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตอยู่้อยนั้นคนเป็นเล็กเป็นน้อยก็พลอยได้อาศัยทางสะดวกอาศัยอะไรอะไรไปด้วยบางทีเนะี่ยถึงก็ว่า คนอยู่บางซอยเนี่ยพอเขารู้ว่าเราอยู่ซอยนั้นนักเลงไม่กล้าเด่งเชื่อไหมไปพมา่ายังมีเลยซอยพวกเราพวกเราคนหนึ่งนะเนี่ยเขบอกในส ย, ยู่ซอยไหนไอ้นักเลงไม่กลา้าเพราะซอยนั้นคนใหญ่คนโตพวกโตนน้งตาลอะไรก็อยู่นะมีพวกพวกเพื่อนพมา่าเราวางคนนะอยู่ซอยนั้นก็บอกงั้นเนี่ยพอไปยื่นเนี่ยไ อ, ไอ้พวกสามล้อมันไม่กลา้า ไม่กล้ารีไ่ยแล้วครับรู้อยู่ซอยนี้มันนึกว่าอ๋อนี่คงจะไม่รู้จักผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยมันเขเว้นให้เ <c oughs> นี่ยมันครอบปกแผ่ถึงขนาดนี้นับถือพระองค์เดียวกยังมีผลเลย <c oughs> ที่นี้มาดูข้อหาข้อหาปัจฉาชาตาปัจใจแปลว่า อำนาจที่เกิดหลังผลผมเทียบให้ความข้อสี่ข้อห้าไปได้วยกันอีกทีก็ได้เหตุกับผลเนี่ยเหตุบางอย่างเกิดก่อนผลเหตุบางผลบางอย่างเกิดหลังเหตุก็พูดได้นะ แล้วก็ผลบางอย่างเกิดก่อนเหตุนี่แปลกนะโดยทั่วไปเราก็นึกว่าเหตุนั้นต้องเกิดก่อนผลที่ควรจะเป็นแต่ว่ามีผลบางอย่างเกิดก่อนเหตุอันนี้มันเหมือนกับตัวอย่างในตามเปรียบเทียบ ว, ว่า อ, อย่างคนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยสมยัยพุทธกาลมีเยอะเพราะคนมีบุญมามากสมัยนี้อาจมีน้อยแต่ว่าถึงเรารู้ไม่รู้นี่มันก็มีคนบางคนเนี่ยก่อนจะมาเกิดเนี่ยนะฮะเขพูดสำนวนในนี้เรียกว่ากรรมเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมการต้านรับให้เรียวบร้อหาบ้านให้แล้วหาอะไรให้แล้ว พอเกิดมาก็ไม่ไม่ต้องขาบจอนเงินจันทรองนะเพราะทอง่อนทรองมีอยู่แล้วไม่ต้องขาบมามาเลยรออยู่เลยแต่ยกไปอย่างก็มีมิมารวัตถุ ก, ก็เยอะหน่อยคนบางคนตัวยังไม่ทันตายแล้วก็วิมารรอแล้วที่นั่งๆอัน น, นี้ก็หลายคนที่มารร อ, อบนนู่นแล้วเวลาไปก็โหไม่ใช่เฉพาะวิมานนะพวกบริษัทบริวารรอบอกมารรอหลายปีแล้ว ไม่ตายสักทีนี่พวกนี้อยากให้ตายนะก็เลยว่าไอ้เจ้ากรรมในเวีนมันก็อยากให้ตายเพื่อวัตถุประสงค์อันหนึ่งพวกเจ้าบุญนายคุณเขาก็อยากให้ตายด้วยวัตถุประสงค์อันหนึ่ง น, นะเช่เาเช้างเย็นมันอไหร่ตาย ท, ทีจะได้มาอยู่ด้วยกันมันมันก็รอยอย่างนี้เพราะเราเองเนี่ยคนที่มีวิบากเหมือนกันมีวิบากป่าอุศลเนี่ยกรรมมันรอมันเกิดมันมีสถานการณ์รอเลย มันรอวัคซ์น า, ส, นาสร้างสรร์ในเรื่องแปลกที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดก็มีนะ <S <S ไอบ้บางอย่างมันก็รอตามธรรมชาติแค่ไอ้กรรมเนี่ยมันชี้ช่องไปอย่างที่ว่าไอม้มะพร้าวมันจะร่วงไม่ร้วงแหล่ไอ้คนอื่นเดินมันก็ไม่ล้วงลมเมื่อไโชคพอคนนี้เดินผ่านมากระโชคโดนหัวเลยแมันก็รอจะจะทําให้เกิดนะคุณคนนี้บาเพราะนั้นแม้แต่กรรมเล็กกรรมน้อยเนี่ยนะมันก็รอเรา เนี่ยออกไปเนี่ยมันมีหลอนิดหน่อยก็รอทั้งบุญทั้งอะไรต่างๆเราลอแตผลบางอย่างนั้นจึงเกิดก่อนเกิดก่อนเหตุผลบางอย่างเกิดหลังเหตุที่พี้พูดนะวไอ้ในตัวเราเนี่ยต<ม>ั้งใจหยกหยากมาเข้าก็มาถึงในตัวเราเนี่ยนะในตัวเราเองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นผลจิตเป็นเหตุเชื่อเลยครับว่าไอ้จิตของเราเนี่ย ถ้าถามว่าทําไมคนไม่ตายร่างกายไม่เน่าทําไมคนตายร่างกายเน่าถึงไม่เน่าถึงจะพยายามจะทําให้ไม่เน่ามันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกบใช่ไหมอะไรเป็นตัวรักษาทําไมเราเนี่ยต้งไม่ตามตัวเนื้อเราไม่ปิดปะตเตอร์กันปิดหัวปิดโก่งโ ก, โ ก, โกี้เพอาะยีอาคิดยหนึ่งย้ายมาปิดแผลนี่ยีอาทิตย์หนปิดแผลทาไมอะตาก็ไม่เน่าไม่ต้องคอยมานั่งหยอดกัน ไล่แมลงวันกันตลอดเวลาอะไรรักษาเราครบต่อว่า ก, กรรมไอ้นั่นก็เป็นอันหนึ่งนะมันไม่ใช่กรรมอย่างเดียวจิตของเราเนี่ยครับจิตของเราเนี่ยมันมันรักษาในหลักของปัจจัยอันนี้มีตาขึ้นมาแล้วมันก็รักษามันเหมือนกับเรา้องคิดดูอะไรอย่างคนที่ <c oughs> เป็นเจ้าหญิงนิทาเจ้าชายนิทาเนี่ย บางทีเขามีกรรมไหมมีกรรมรักษาไม่มีมีแล้วทําไมเ้านอนยื้อเฉยๆเขาเน่าล่ะเขาเป็นง่อยล่ะขาเขาลีบล่ะอย่างบางคนที่นั่งรถเก็นเนี่ยมาก่อนบุคลิกดีๆนะแต่เสร็จแล้วก็ต้องยังมีคนเนี่ยเราอาจจะเลยที่เขาเห็นต้องกอดเกีนแล้เก็นแล้วต้องจ้างคนเนี่ยวันละสามรอยมาบริหารขาถึงอย่างนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็ก อาลิดแล้วก็อย่างพระเอกที่ที่จะ น, นอน่ะแม่รักษายยังมีอยู่คนนะต้องคอยจับริกอยู่เลยเนี่ยอันนี้้เราเนี่ยเรามีจิตแต่เส้าลูกมันคอยเหยียดกู้ก้าเหยียดออกอะไรต่ออะไรแม่นี่เราเราไอ้พูดอย่างเนี้แหละรเราเร า, เราไม่ได้นึกขึ้นโยมหรอครับไม่ได้นึกขึ้นโยมตัวเองว่าไอ้เราเนี่มันต้องบริหารมากจริงๆไงนะ อย่างพระเจ้าว่าต้องบริหารว่าให้กินมันก็ยังไม่พอให้นอนให้นั่งในที่นั่งที่อากาศดีๆมันก็ยังไม่พอต้องคอยลุกคอยอะไรต่ออะไรนั่นก็อย่าเลยครับไอเ่องจะนั่งกินนอนกินอายุจะสั้นแผลจะเต็มตัวจะง่อยเปลี่ยเลียขาเพราะนั้นจิตของเราเนี่ย มันถึงตามรักษาจิตเนี่ยมันเกิดดับหลังๆตามรักษากายแล้วก็ไอ้กรรมชฉลืเกิดดาวเกิดดับเกิดมาก่อนเนี่ยเกิดเพว่า ก, กรรมเฉลืที่เกิดมาก่อนจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นมันก็ตามไปรักษาตามบริหารให้ร่างกายนั้นอยู่เป็นปกติแต่ว่าไอ้การที่มันจะรักษาได้อย่างนี้อย่างไรอย่างอย่างไรได้อย่างเราเป็นเนี่ย มันต้องยืนอยู่บนปัจจัยหลักอื่นอึดอย่างเช่นกรรมนี่นะถ้า ก, กรรมเขาไม่ยอมเลี้ยงถึงเราจะไปยกแข่งยกขาทำอิริยาบถไปออกกำลังเต้นไอเอโรบิกตรงอเอโรบิกด้กดดานก็มันก็ต้องเน่าอยู่กันอยังกรรมแหละปัจจัยที่หกีง่ายครับอาหารละชาติ หมายถึงปัจจัยที่อยู่ในสกุลของความเป็นอาหารบารุงร่างกายของเราอาหารที่เรากินเข้าไปนี่นี่เป็นปัจจัยอันหนึ่งด้วยและถามว่าสำคัญไหมสำคัญกรรมอย่างเดียวเลี้ยงชีวิตเราไว้ได้ไหมไม่ได้ต้องมีอาหารทีนี้อาหารเนี่ย ไอโดยกลไกของมันเองเนี่ยมันมันก็เป็นไปตามกระบวนการของอาหารแต่ว่าไอการได้มาของอาหารที่มาของอาหารเนี่ยมันก็ได้จากกรรมก็มีใช่ไหมได้จากกรรมเป็นหลักทำให้เรามีอาหารอย่างนี้อย่างพุทธเจ้าว่าตทัานหลายมีกรรมต่างกันมีอาหารโภชนะที่เบล้อหนี้และอยาบต่างกัน บางคนนึกจะกินอะไรก็ได้กินทันทีบางคนนึกสั่อไรสั่อะไ ร, ะไรไมาได้กินสักฝีเียบางคนชั่วชีวิตอาจจะไม่ได้กินอะไรบางอย่างเลยก็ได้นี่เป็นอาหารรชาติเป็นปัจจัยสำคัญมากในฐานะปัจจัยปัจจุบันที่เราเห็นได้ และก็ว่าจริงๆที่เราทุกความพยายามของเราทุกวันนี้เราใช้ความพยายามเพื่อแสวงหาปัจจัยอะไรเป็นเรื่องสำคัญอาหารและปัจจัยใช่นะเราไม่ได้ทำงานเพื่อแสวงหาก ร, รมาปัจจัยไอ้ที่จะไปทำบุญก็ไปกันที่ต่างหากนะนานๆทีแต่อาหารและปัจจัยนี่ลืมไม่ได้ ไม่มีใครเลยที่ทํางานด้วยเหตุผลทางกุศลกรรมมาปัจจัยทั้งที่เราไม่มีกรรมแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยนะแต่กลับมาหายอันนี้แล้วก็อาจจะหาอย่างอื่นเช่นหาเป็นของพวกองคโดยหาอารมณปัจจัยหาลูกสวยๆดูหาเสียงเพลาะๆวังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายทาอาหารปัจจัย ปัจจัยที่เจ็ดที่เรียกว่ารูปปินตริยปัจจัยหมายถึงร่างกายของเรานั้นดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตแต่รูปที่มันเป็นรูปมีสภาพเหมือนเป็นตัวหล่อลื่นเหมือนเป็นจาบีที่ใส่ชีวิตเราเนี่ยนะะ ซึ่ที่จรตัวนี้ตัวเดียวมันก็ยังไม่พอหรอกครับเหมือนกับเรามีรถเราจะเอาน้ํามันไปหยอดเอาเจอร์บีไปใส่แล้วไม่ไม่ยอมสตาร์ทไม่ยอมใช้เลยเนี่ยในสูตรมันก็เสียแต่ว่าถ้าจะใช้โดยไม่มีจอร์บีใส่ก็ไม่ได้อ่ไอ้ตัวนี้ถ้าจะเทียบเหมือนกับดอกไม้ทกับเทียบเหมือนกับไอ่าน้ํำที่เอามาป ร, ราบพผมดอกไม้ ให้สดชื่นเป็นรูปรชีวิตติณสีแล้วเวลาคนไปเนี่ยรูปรชีวิตตินสีเขาขาดที่เราเรียกว่าสิ้นชีวิตเนี่ยเราเรียกเรื่องหน้าของรูปรชีวิตติสี น, นี่เป็นสำคัญที่เรามองเห็นได้การนี้มาดูข้อที่แปดข้อที่แปดคือปักกระตูปณิสยบับจัย ไอปกตรูมนิษย์ปัจจัยเนี่ยแปลว่าอะไรถ้แปลแล้วก็ดูไม่มีค่าอะไรเลยปกตรูแปลว่าปกติแต่คําว่าปกติในภาษาธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นปกติในภาษาโลกคือธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเรียกว่าปกตินะคืออย่างไรที่ว่าพิเศษ ยังบอกว่าเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรชีวิตปกติไม่สูงไม่ตำ่ำแต่ทางธรรมมาเนี่ยบอกอะไรไอ้ปกติเนี่มันมีทั้งปกติเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องขั้นต้นขั้นกลางขั้ น, น, น, น, นสูงเป็นปกติทั้งนั้นปกติน้่มันเทียบได้กับอํานาจของการที่บุคคลทําอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นทานก็เป็นนิจฐาน ถ้าเป็นกรรมฐานก็เป็นนิจฉาคือเป็นข้อที่บุคคลทําอย่างสาตั จ, จ่าคือทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างต่อเนื่องอะไรที่บุคคลทําอย่างต่อเนื่องและสิ่งต่อเนื่องจะจะเกิดขึ้นมาจากความพยายามต่อเนื่องออกแรงหรือไม่ออกแรง หรือตอนเรื่องอย่างไม่ออกแรงอย่างรู้สึกว่ามันเป็นปกติไม่ต่อไม่ออกแรงไม่รู้สึกว่าฝืนใจอะไรมันก็เรียกว่าเป็นปกติให้ปกติเนี่ยเมื่อมันเป็นปกติแล้วถามว่ามันมีอํานาจไหมยอย่างเช่นคนขับรถเป็นปกติเขาขับเก่งหรือขับไม่เก่งคนตายเส้นลวดเล่นกายกรรมเป็นปกติคนฟังธรรมะเป็นปกติคนพูดธรรมะเป็นปกติ คนปฏิบัติทําเป็นปกติมีอนุภาพไหมคนพวกนี้มีอนุภาพมันอยู่ที่ว่าปกตินั้นอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ในขั้นบาสมีอนุภาพมากแบบบาสอย่างเช่นฆ่าวัวฆ่าควายเป็นปกตินะ แต่คนทําอาชีพเป็นปกติอะไรเงี้ยมันเขามีความรู้ความสามารถแม้กระทั้งจะชุบเหล็กเขาทามันก็รู้ว่าจะชุบยังไงให้ดีไอเราไม่เคยเนี่ยไปจับไปอะไรก็เห็นง่ายๆนั่นจะทามไม่ได้หรอกคนปริมะพาพเป็นปกติแป๊บเดียวได้รอยต้นเนี่ยเราต้นเดียววะไม่ไม่ไม่ตลอดต้นเนี่ย แล้วบางคนอายุ80แล้วขึ้นมาพร้าวได้ผมไม่ได้เห็นมักตาแต่ดีเห็นมังกตาไม่ถึง80แค่70ยังเล่า40ปีได้เลยวะปีนไม่ได้นี่ม่ใช่มาพร้าวเตี้ยๆต ส, สูงด้วยทำไมก็ทำได้ก็าทำได้เพราะเาทำเป็นปกตินะฮะทำเป็นปกติ ก็เลยเลยทําได้เพราะไอ้คนที่มันตอนจะตายมนตุล น, นตูลายอย่างงู้นอย่างนี้เนะี่ยมันเกิดจากโปรตีของการทาบาปขนาดกินข้าวยังไม่มีแรงเคี้ยวแต่มันมีแรงควา้าขวานจะมาจามหมัวโดยไม่รู้มันเอาแรงมาจากไหนนี่มันเกิดจากโปราตีถ้าอะไรที่มันตัวราเนี่ยมันมีปกติแม่แต่ในชั้นความผิด แล้วมันก็เกิดอำนาจไปตามศูนย์ของมันข้อนี้นะ่ะเบื้องสูงเนี่ยคนบรรลุมะผลนะ่ะถามว่ามะผลประหารกิเลสได้เพราะปัจจัยอะไรตอบว่าเพราะปกติปัจจัยปกตินี้ได้มาแต่ไหน อยูอย่่มันก็มาให้ค่าแล้วก็กวาดมือเรื่องมรักเอ๋ยผลเอ๋ยมาฉันร้อมจะให้ค่ากิเลสแล้วมันมาไหมไม่มาหรือใครจะหยิบมายื่นยัดใส่ให้ก็ไม่ได้ถามว่ามรักผลได้มาเกิดขึ้นได้จากอะไรถ้าบอกเกิดจากอานาจปกติปัจจัยปกติปัจจัยทำเป็นปกติเมื่อไหร่ เมื่อทำมิปัสนาถ้าคนไหนสร้างบา ร, รมีแต่อดีตน้อย <c oughs> ก็ทำปกติชาตินี้มากหรือสร้างบา ร, รมีในอดีตมากแต่มันมีกรรมคือมีอกุศลแทรกมีปกติขังกิเลสก็เยอะด้วยมันก็เข้ามาหาหารกันทำให้จ้าเราต้องสร้างปกติให้มันกระชั้นขึ้นในปัจจุบันหรือจะเกิดมากเกิดผลก้ากิเลสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คนต้องสร้างปกติ มาแต่ชาตตบางก่อนเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรพอพูดได้พูดอะไรก่อนครับจะให้ทานก่อนขอสตางให้ทานใช่ไหมขอสตางให้ทานมันเป็นความถนัดจัดเจนที่ติดตัวมาอันนี้เ้าเรียกว่าเกิดจากโปรตีนะ อุปนิสัยของเราเนี่ยดูคำหลังที่ใช้คำว่าปกติบวกอุปก็มีการมีการ <c oughs> สละเป็นอุปะคือปกปกติบวกอุปปลบสระอีทาสร ะ, ะอูให้เป็นอู เป็นปกติปักก็คือปกติอุปปัตแล้วก็นิสัยนิสัยแปละว่าที่อาศัยให้ให้ใ ห, ให้ตัดเป็นคําหลักสองคำที่เราคุ้นคือปกติบวกอุปนิสัยเอาความว่าอุปนิสัยปกติอุปนิสัยปกติหรือถ้าเอาความอย่างง่ายๆคือ นี่ใส่ที่อบรมเป็นปกตินั่นแหละเป็นปัจจัยถามว่าเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่อีกหลายหลอย่างไ อ, ไอตรงนี้นะมีความหมายกว้างที่สุดนะปัจจัยที่แปดเนี่ยแม้แต่คนสะกดจิตก็เป็นปกติสะกดวัตถุก็เป็นปกติคนฆ่ากี่เหล่ ก, ก็เป็นปกติแนวโน้มของจิต เป็นปกติปัจจัยหมดตัวนี้จึงเป็นปัจจัยใหญ่แล้วผมจะอธิบายเป็นพิเศษาบางชาตินะในในเก้าชาติเนี่ยที่เป็นส่วนที่จะมีผลแก่ความลึกซึ้งและกว้างขวางในทางปฏิบัติและที่เก้าคือนานักคนิกะ กรร ม, มปัจจัยอ่านี่เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งแล้วนะครับความง่ายง่ยก็คือกฎแห่งกรรมแหะครับอยู่ที่ปัจจัยนี้เป็ น, เ ป, นเป็นชื่อของกฎแห่งกรรมแต่เวลาท่านเรียกชื่อท่านเรียกว่านา น, านา น, า, นานานักหิกาในแยกสับมาเป็นนานา และคันนานาณาคณะแล้วก็กรรมะนานาขณะกรรมกฎแห่งกรรมภาษาปฐฐานเรียกอย่างนี้แต่ท้าเรียกอย่างนี้ท่านก็มีความหมายของท่านแล้วก็เติมปัจจัยอะไรเข้าไปเนี่ยนะก็เป็นนานาคณิกากรร ม, มะปัจจัยแปลว่าอะไรคันาแปลว่ากาละ คือกาลเวลานั่นแหละครับเป็นไวยพจน์ของคําว่ากาลเลาอีกคำหนึ่งคำว่าขนาเนี่ยอย่างเช่นคําว่าอขนาไม่ใช่กาลไม่ใช่ขณะอะสมัยไม่ใช่สมัยสมัยก็เป็นไวยพจน์ของคําว่ากาลเลาไวยพจน์น่นแปลว่าภาษาต่างความหมายเหมือนทําไมจึงเรียก กรรมว่าเป็นนานักคนิกะกรรมก็เพราะว่ากรรมนั้นบุคคลเมื่อทานาะเป็นการหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเมื่อเสวยผลเป็นอีกเวลาหนึ่งจะทำเดียวนั้นเสวยเดียวนั้นไม่ได้ทำเดียวนั้นได้รับผลเดียวนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์ของกรรมในพระุทศาสน ท่านลองพยายามนึกแย้งนึกค้านโดยก็ดีเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเช่นว่าพอยกมือปุ๊บจะตีหัวไอ้คนก็ยกมือเท่าว่าเราเปรียบเลยยังได้รูปเรานะกระจกพอตีหัวมันเปรี้ยงมันก็ตีหัวเราเปรี้ยงความจริงน่นเราอยากจะให้กฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้นะ แต่ทําไมจึงไม่เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อยากจะให้เป็นอย่างนี้ทําอะไรปุ๊บก็โดนปับแต่ไอ้ที่ว่าไม่รู้เนี่ยหมายถึงว่าทําไมนี่แต่ว่าในมุมอธิบายมอธิบายได้คือว่าเดี๋ยวก็ถามต่อทําไมอีกอ่ะผมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอะเพราะว่าคนไอ้การทํากรรมมันเหมือนกับปลู ก, กข้าวข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ย ปลูกแล้วมันเกิดรวงข้าวมันไม่เกิดไม่ข้าวอ่ะมันได้ทั้งรวงอ่ะแปลว่าปริมาณเหตุกับปริมาณผลเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ใค่หนึ่งกัหนึ่งกรรมหนึ่งมันเหมือนกับปลูกข้าวเราลองคิดดูแล้วกันว่าเราทำกรรมจำนวนหนึ่งแต่เวลาได้รับผลเนี่ยได้รับมาก หรือเท่ากับจํานวนที่เราได้มากกว่าปริมาณก็มากกว่าแล้วก็ใช้เวลาสเสวยก็มากกว่าที่ว่าตักบาทด้วยข้าทัพพีเดียวได้สวรรค์ไปเกิดในสวรรค์นะฮะและตรงนี้มันก็ไม่แน่กนะว่าบางทีปริมาณแค่นี้ คนหนึ่งทําได้มากกว่าคนหนึ่งทําได้ได้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งมันมีไอองค์ประกอบของกรรมนั้นแตกต่างกันอีนะตรงนี้นะในทางเรื่องธิบายได้เป็นพิสดานเนี่ยในแง่ของปัจจัยเนี่ยนะในทางหลักการทั่วไปเราก็พูดแต่ไม่เจาะเข้าหาตางลึกพูดแต่ว่าเพราะทํากับปฏิฆาหกเพราะเจตนาเราบริสุทธิ์เพราะวัตถุเราบริสุทธิ์ที่เป็นตัวแปร แต่ถามวา่าทำไมทำไมล่ะนี่ลงไปหาเหตุปัจจัยเรายังไม่ได้อธิบายกันเลยอธิบายกันเป็นส่วนน้อยอ่าตรงนี้แหละครับถ้าถามว่าเอาแล้วทำไมกรรมทำหนึ่งมันก็น่าจะได้หนึ่งท้ามันต้องอไรมาได้มาก่อหนึ่งผมตอบไม่ได้เอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ เพราะไอ้กรรมเนี่ยมันให้ผลมากกว่าเหตุเวลาเราทําปุ๊บหนึ่งเนี่ยไอ้ตอนเราทําเราก็กทําด้เรี่ยวแรงของวิบากกรรมเก่าและอยู่ในสิทธิการให้ผลของกรรมเก่าเราก็าเอาสิทธิเอากรรมเก่าเนาะเป็นทุนตั้งเยอะแยะไม่ใช่กรรมหน่วยเดียวเลยนะ เนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยฟังธรรมะบทเดียวเนี่ยเราใช้วิบากมาเป็นคุณฟังเยอะเลยใช่นะวิบากส่วนมากก็เป็นกุศลนิบากแล้วอาจจะมีอกุศลนิบากบางอย่างเสนอตัวเข้ามาป่วนเปลี่ยนอยู่ด้วยเพื่อทำกรรมใหม่แค่ฟังธรรมะประโยคเดียว พอความธรรมะประโยคนั้นธรรมะประโยคนั้นยังไม่สามารถให้ผลได้หมายถึงให้ผลในทางกรรมได้ <c oughs> เราก็ต้องสวยวิบากกรรมนั้นไปจนกระทั่งมันหมดหรือมันเพลาไอ้กรรมใหม่มันก็อาจจะได้จ่องแทรกเข้ามานิดหน่อยๆชาตนี้นะมันไม่เต็มที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดแล้วก็จะหลุดในเรื่อง เรื่องไอ้กดแห่งกรรมเรื่องทําดีไม่ได้ดีทําชั่วทําไมได้ดีอะไรพวกนี้นะจะหลุดเลยครับไม่สงสัยเลยชัดเจนมาก <c oughs> ทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะก็เราทําปุ๊บแล้วก็สบายปับ๊บแล้วบางทีมสบายทัแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทําก็มีไม่ใช่เลยแค่คิดจะทำํำก็สบายแล้วอย่างนี้นะไม่ใช่ให้ผลทันทีนะตอบว่าไม่ใช่ความสบายใจนั้นไม่ใช่ ผลในเงื่อนไขของนานักคณิกากัรมปัจจัยเพราะอะไรเพราะนานักคณิกาเนี่ยทํายังไงต้องใดอย่างนั้นถามว่าความสบายใจนยคนทําบาปสบายใจได้ไหมคนทําบาปสบายใจมีไหมพอรู้ว่าเดี๋ยวเราจะคนจะไปหัวาาวังคารวันนี้วันสอาทิตย์จะไปสนามมา้ามีความสุขไหมอีกคนหนึ่งจะไปไปวัด ม, คมีความสุขคนกาลังฟังธรรมะมีความสุขคนกาลังเล่นม้ามีความสุขเล่นม้าเสร็จแล้วต้องเล่นได้นะมีความสุขฟังธรรมะก็มีความสุ ข, รรสขถ้ามันมีตัวแปรอย่างอื่นถ้ามีตัวแปรอย่างอื่นอาจจะมีความทุกข์ก็ได้กแม้วันนี้มาฝังทำไมคนพูดพูดไม่เข้าหูเราเลยเราอย่างนี้ทำไมมาพูดเราเป็นอย่างนี้กลับด้วยความทุกข์ไปมันก็อาจจะเป็นไปได้ บางคนเรื่องลำลองเดียวกันอาจจะมีความสุขก็ได้เออแหมเราไม่เคยเรานึ ก, กว่าตัวเราเดีมาฟังเรื่องนี้เราไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่กันนะเพราะนั้นไอ้ความคิดใดๆทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นมันน่าค้นให้เจอว่าเพราะอะไรนะถ้าค้นลงไปเจอเนี่ยมันจะหลุดนะแล้วก็เบาสบายแล้วก็มีทางแก้แล้วเป็นการแก้อย่างแยบยลด้วย เพราะกฎแห่งกรรมเนะี่ยให้ผลต่างการต่างเวลากับตัวเองปัฐานถึงระบุกาลละเอาไว้ด้วยว่ากรรมที่บุคคลทำแล้วให้ผลคนละเวลากับเด็ดแล้วบางทีเนะี่ยไอ้ถามว่าเวลานา น, านแค่ไหนเอาตอบแน่ไม่ได้บางทีให้ในเะจ็ดวันก็มีนะ แล้วไอ้การให้ผลในเรื่องกรรมกี่เราไม่รู้ก็ได้กรรมนี่มันไม่ต้องฟังเสียงว่าเรารู้หรือไม่รู้ใช่ไหมะถ้าเป็นเรื่องของไอรูปของอารมณะปัจจัยเราต้องจําได้เราถึงอย่างเช่นว่าเราทําความดีมาแล้วแล้วเรานึกถึงความดีนั้นสบายใจตรงนี้ไม่ใช่กฎแห่งกรรมแต่เป็นอํานาจของอารมณะปัจจัยของกุศล นึกถึงแล้วเราสบายใจก็มีไม่สบายใจก็มีบางคนเข้าใจว่าตามความดีแล้วความดีไม่ให้ผลนึกแล้วก็ริงชังความดีนั้นว่าดูเธอเราเนี่ช่วยเขาทำไมเขาไม่ช่วยเราเราทอดกระถินมาทั้งหลายวัดทำไ ม, มกระถินไม่ช่วยเรา <laughs> <laughs> เราต้องมานั่งกิ่ยอดกระถินเนี่ยผมไปทอดกระถินนั่นแหละ ก็นึกไปแค่นี้เกิดโทมนัดน้อยใจนะไออย่างนี้นเขนะาเรียกว่าเป็นภูกุศล น, นั้นเป็นอารมมณะปัจจัยแก่อากุศลบ้างแก่กุศลบ้างไม่ใช่กฎแห่งกรรมถ้ากฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าอย่างไรมันไม่ไม่ตนเลยกรรมที่เราเสวยทุกวันเนี่ยมันมาจากชาติปางก่อนเราจําเป็นต้องรู้ไหมมันถึงย่ำผล ไม่รู้มันก็ให้ผลทั้งดีทั้งชั่วโดยมากเนี่ยเราเสวยผ ล, ผลบุญผ ล, ผลบาปโดยที่เราไม่รู้เลยสรุปว่าไอปัจจัยบางอย่างที่มันปัจจัยลึกซึ้งเนี่ยคนต้องมีภูมิบัญญาสูงนะถึงจะเข้าถึงแล้วถ้าเข้าถึงแล้วก็มีผลมีประโยชน์มีอนิสงฆ์แกผู้เข้าถึงนั้นมากไกลสุดเนี่ย กอาสงไข่ที่แสนกลับกรรมมันก็ตามไปทานตามไปได้เพราะนั้นเราเนี่ยโปรดเข้าใจเลยครับว่า <c oughs> ความคิดของเราที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราเนี่ก็ไม่มีอะไรโกรด<ร>ครั้งหนึ่งศรัทธาครั้งหนึ่งเมตตาครั้งหนึ่งไม่มีอะไรดับแล้วดับไปแต่มันได้ทิ้งพลังเอาไว้ในสันดานเราหลายรูปแบบ ฟังธรรมมครั้งหนึ่งสวดมนต์ครั้งหนึ่งได้อะไรบ้างให้เราก็อาจจะนึกในทางวัตถุได้อะไรขึ้นมาบ้างมองไม่เห็นแต่พอเอาหลักปัจจัยเข้าไปจับแล้วได้ได้นานัคนิกากรรมมาปัจจัยฝ่ายกุศลใช่ไหมได้ปกะกตูนณิสยปัจจัยฝ่ายกุศลใช่ไหมแล้วก็ได้อารมณะปัจจัยฝ่ายกุศล คือจะเป็นอารมณ์ให้เราได้นึกถึงได้รู้ได้ปัจจัยแล้วก็ปัจจัยอย่างอื่ น, นเช่นปัจฉาช า, ชาตาปาัจจัยเราจะได้อำนาจจิตที่จะไปทำให้ร่างกายเราแจ่มใสสดชื่นผิดกยตอนที่เราไม่สวดมนต์สมมติว่าคนสองคนคนหนึ่งออกจากห้องสวดมนต์คนหนึ่งออกจากห้อ ง, นนนน ง, ออองด่าคนอื่นเข้ามามาเจอหน้ากันหน้าเหมือนกันนะ ไม่เหมือนเลยครั บ, อ ย, บ, บอย่างคนอยู่ที่บ้านนะรู้ลเลยสมมติว่าตัวเองเป็นแม่บ้านอยู่บ้านสามีวันไหนหน้าอ น, นายด่ามาหน้าดูไม่เป็นใด้หรอกแต่วันไหนปไปวัดฟังเทศฟังธรรมหมาหน้าเข้าไปแบบนึงนะแต่ต่างกันไปคนเกิดกุศลจิตเนี่ยถึงเห็นได้ชัดเจนเนี่ย <S <S เห็นได้ชัดเลยไม่สงสัยเลยคนอยู่ในกุศลจิตเนี่ย อย่างแค่คนมาสอนธรรมะเนี่ยนะอันนี้ก็ต่างกันที่เห็นอย่างคนบางคนเมื่อก่อนเ้ายังไม่กลับเข้ามาเรียนธรรมะเขาก็ธรรมดาหน้าตาเขาธรรมดาแต่พอต่อมา ไ, มได้สอนธรรมะในเชื่อลาสีขึ้นนะ่ะทุกคนเลยไม่ไว่าจะเป็นแขกไม่ไว่าจะเป็นเจ๊กเป็นจีนที่ ท, ที่ที่ได้สอนธรรมะที่ผมทันเห็นเขามาตลอดเนี่ยนะทั้งสองสองซิกเนี่ย พอดืนนี้มาสอนธรรมะแล้วราสีขึ้นนี่แค่สอนธรรมะนะซึ่งไม่ใช่ของสูงอะไรคนมาฟังธรรมะเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกไปยืน ล, ล, ลงลงตัวเขาที่ป้ายรถเมล์เนี่ยพอสอสายสายตาไปเห็นพวกเรา เ, าเนี่ยโอ้รู้สึกว่าแหมราสีข่มคนอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยวันนี้ก็ก็มีเนี่ยก็มาเนี่ยผมก็เห็นดีลนไมีเออก็ไม่ใช่เป็นคนผิวขาวอะไรนะ แต่ไปยืนรู้สึกแมหมน้ามสะท้อนแสงดีสแสดงถึงความเป็นคนมีกุศลและยิ่งคนไปปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนี้ยิ่งเห็นชัดมากเป็นพิเศษเลยแล้วลองนึกว่าถ้าบรรลุมรคลจะขนาดไหนนะหน้าตาพองเลยคนบรรลุมรคนเนี่ยแล้วไม่จืดด้วยนะเพราะมรคนเป็นสมุทเทธัมมารหน้าไม่จืดกุศลทาวรนเลย ผู้สนก็ถาวรเป็นเป็นอาจจร้านะจะเป็นแค่โสดาบานันอาจจรัสท่ารารหลานี่ก็เหมือนกันอาจจร้าเหมือนกันอนุโลมไปถึงอาลาน์ด้วยถาวรคือความเป็นจิตเป็นบุญเนี่ยถาวรโสพนธจิตนะฮนะแล้วก็กิเลสไม่เข้ามากวนเพราะฉะนั้นเมื่อไหลเมื่อไหลก็เมื่อ น, นั้นไม่เปลี่ยนไอเรามันยังบานบานหูบางครั้งก็ ราศีเยอะหน่อยบางครั้งก็เกี่ยวไงเนี่ย ม, มันมันมีไอ้เหตุปัจจัยของเงินคำยังจำร่าไม่ได้กดัดนี่เป็นเรื่องอหชาติชติเก้าของปัจจัยห้าิบสองนะเราก็จะตั้งเอาชาติเนี่ยมาตั้งอธิบายกันถ้าผมจะให้ท่านหยิบ เอกสารชุดที่ขึ้นหัวข้อว่าลักษณะเหตุปัจจัยในพระพุทธศาสน า, าเดี๋ยวพูดอะไรอีกสักหน่อยแล้วจะพักช่วงกันมาอธิบายต่อเนื่องจากว่าพ <c oughs> ระพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าจะพูดได้ว่าจุดเด่นๆและจุดเด่นๆ เ, เหล่านั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่เด่นแบบพยยกระจายอย่างเช่นว่าพระพุทธศาสนาเรามีสอนเรื่องอนัตตาพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องวิปัสนาซึ่งเป็นของเฉพาะและวิปัสนากับอนัตตาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัยอย่างแยกไม่ออกเพราะว่าอนัตตาเนี่ย อธิบายได้ด้วยเหตุปัจจัยอัตตาไม่อธิบายด้วยเหตุปัจจัยใช่ไหมฮะและวิปัสสนาเนี่ยปฏิบัติแล้วก็เห็นอนัตตาเป็นตัวหลักนะแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยจะไม่เห็นอนัตตาโดดๆแล้วไม่เห็นเหตุปัจจัยไม่ได้ตอนนนพระพุทธเจ้าอธิบายอนัตตาท่านจึงอธิบายด้วยว่า เพาภาวะธรรมนั้นหลายยืนอยู่บนเหตุปัจจัยแล้วคนที่นัน้าตายนี่เหตุปัจจัยแล้วก็ยกระดับของภูมิจิตภูมิธรรมให้สูงขึ้นไปได้เราจรึงพูดว่าพระพุทธศาสนานเป็นศาสนาแห่งเหตุผล และคำว่าเหตุผลเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัจฐาน